หลายคนก็เป็นตอนเป็นก็ใหญ่มีอำนาจมีชื่อเสียงมีคนยกย่องมีผลประโยชน์พอกเกษียณแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเป็นข้าราชการบำนาญคล้ายๆเหมือนว่าเราตลอดชีวิตเราตันะ้งแต่เด็กๆมาเราถูกฝึกให้ต่อสู้แย่งชิงแย่งมาให้มากที่สุดและหวังว่าจะดีจะมีความสุข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 หรืการที่เราต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจเนะี่ยใจมันจะไม่หวัน่นไหวม่จะเข้าใจว่ามันเหมือนกาลังฝันไายอยู่เวลาเจอของไม่ดีเวลาเจอของดีๆแล้วก็ไม่หลงไหลรู้ว่ากําลังฝันดีอยู่เนี่ยแหละถ้าเรบใจเราฉลาดเนตะ็จมจะถอนตัวเองออกจากโลกโลกจะแปรปรวนยังไงนะจะดีหรือจะเลวจะสุขหรือจะทุกขนะ์ใจมันไม่กระเพื่อมใจมันไม่หิวใจที่ไม่มีความหิวไม่มี ความกระหายนะใจมันมีความสุขมีความสงบซึ่งไม่มีอะไรเหมือนเป็นความสุขที่เอาเงินซื้อไม่ได้นะเอาอำนาจไปแย่งชิงใครมาก็ไม่ได้อยู่ที่เราฝึกของเราเองเมื่อเราฝึกของเราขึ้นมาแล้วคนอื่นจะมาแย่งเราไปก็ไม่ได้จะมาขอแบ่งก็ไม่ได้เป็นของของเราเองโดยตัวของเราเองงั้นต้องพยายามมาฝึกจิตฝึกใจการจะฝึกจิตฝึกใจนะั้นมันมีสองอย่างการฝึกใจเนะี่ย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 จัดระบบจัดระเบียบความคิดออกมาเรียบร้อยเลยเนี่ยสมาธิมันช่วยให้เราได้สิ่งเหล่านี้มาหรือสมาธิช่วยเราอย่างอื่นได้อีกอย่างเวลาที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาลดความลดงายลถหมุนนะจิตมันแทนที่มันจะตกใจกริ๊กกรี๊ดกราดกลาดก็ทำอะไรซึ่งอันตรายมากขึ้นอย่ยงบางคนตกใจแทนที่จะเหยียบเหล็กก็เหยียบขันเร่งหรือเหยียบเบรกก็เหยียบโครมลงไปเลยลดก็คว่ำ เนี่ยจิตมันจะดีดผาดออกมาเป็นคนดูเลยมันจะเห็นอย่างรถมันกําลังพลิกอยู่เนี่ยมันจะเห็นร่างกายมันพลิกไปเห็นรถมันพลิกไปนใจมันเป็นคนดูอยู่เวลาหัวจะโขกพื้นแล้วก็หลบซะหน่อยหนึ่งแทนที่จะบาดเจ็บมากก็บาดเจ็บน้อยบางคนไม่สบายไปหาหมอไปทําฟันเขาไปผ่าตัดก็ไม่ได้วางยาสลบนั่นสามารถเห็นได้ว่าร่างกายมันนอนอยู่ใจมันเป็นคนดู ความเจ็บปวดมันอยู่อย่างหนึ่งส่วนหนึ่งมันใจมันไม่มีความกลัวไม่มีความทุรนทุนทนรายนี่เป็นเรื่องของสมาธิใช้ได้สารพัดเลยใช้รู้อดีตรู้อนาคตอะไรก็ได้แต่นั้นก็เกินที่ความจําเป็นของพวกเราไปรู้อนาคตก็ไม่ใช่แปลกบางทีใจมันก็รู้ขึ้นมาเนี่ยเรื่องของสมาธิถ้าเราฝึกไว้ได้เราก็ได้ประโยชน์หลายอย่างเวลาที่เราจะตายเพราะว่าเรา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 ครูบาอาจารย์องหนึ่งนะที่หลวงพ่อเรียนด้วยคือหลวงปู่เทศเฮ็ดรังสีหลวงปู่เทศท่านบอกว่าเวลาเหนื่อยมากๆหรือเวลาฟุ้งซ่านมากๆอ่ะทำสมาธิสิง่ายๆกลั้นลมหายใจนะหายใจเข้าไปลึกๆหายใจลึกๆนะกลั้นใจสนิดหนึ่งแล้วความรู้สึกจับเข้าไปที่ความว่างๆที่ความนิ่งๆของใจพอเราหายใจแล้วกลั้นใจนิดๆใจมันจะนิ่งๆพอว่าจับอยู่ตรงนี้นะั่นแป๊บเดียวเนาะ จะได้แรงขึ้นมาจะได้แรงหรือเวลาหลวงพ่อทำงานเวลาประชุมนะประชุมบางทียาวหลายชั่วโมงเครียดเวลาคนบางคนพูดหาสาระไม่ได้แล้วทำความสงบใจเราปุ๊บลงมานะใจเรารวมทีหนึ่งนะเนี่ยกรามีกำลังที่จะทำงานต่อไปอีกสองชั่วโมงนะนี่เรื่องของสมาธิเป็นฆราวาสนี่แหละควรจะฝึกไห้เอาไว้ใช้ประโยชน์ได้สารพัดเลยไว้ช่วยตัวเองหยับคับขันก็ได้นะ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 ไม่รู้จักเรื่องอารมณ์ถ้าเราไม่รู้จักเรื่องอารมณ์อย่างบางคนนี่รู้ลมหายใจแล้วใจมีความสุขก็แทนที่จะมารู้ลมหายใจก็ไปดูท้องผองยุบอะไรเงี้ยมันไม่ถูกกัจริตนะใจไปดูดูท้องพองยุบไม่สบายใจไม่สบายใจยังไงก็ไม่สงบหรือบางคนชอบลมหายใจไม่ชอบพุทโธต้องไปนั่งพุทโธพุทโธตามคนอื่นเะใจไม่ชอบพุทโธใจเกลียดพุทโธใจไม่มีความสุขในนี้ใจก็ไม่สงบ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 อยู่กับพุทโธแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับลมหายใจอยู่กับการเดินจงกรมแล้วมีความสุขเราก็เดินจงกรมบ่อยๆอยู่กับการรู้อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนแล้วมีความสุขเราก็รู้อิริยาบถไปอยู่กับการรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวอย่างรู้ท้องพองท้องยุบรู้การขยับมือนะการทําจังหวะแต่ละสำนักก็มีรูปแบบของการปฏิบัติแล้วก็ดูเลือกดูเอา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 อย่าบางคนด่าคนอื่นแล้วมีความสุขนะไปนั่งด่าทั้งวันเนี่ยใจไม่สงบนะต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ผิดศีลธรรมอย่างเราจเจริญเมตตาไปางี้นะไม่ผิดศีลธรรมจเจริญเมตตาสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเติร์ดเลยคิดถึงคนอื่นคิดถึงสัตว์อื่นในทางบวกในทางเมตตาเขาใจมันก็มีความสุขถ้าใจมีความสุขใจก็สงบหรือบางคนไปซื้ออาหารเลี้ยงปลาตามวัดบางแห่งมีวังมัตฉาเราทําสมาธิอะไรไม่เป็นหรอก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 ด่าคนแล้วมีความสุขเนี่ยไม่เอามันยั่วทาให้กิเลสมแรงขึ้นไปสังเกตตัวเองทางใครทางมันแล้วก็พอเรารู้เลือกแล้วรูเ้เลือกได้แล้วนะว่าเราอยู่กับอะไรแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับตัวนั้นบ่อยๆแลึกถึงมันบ่อยๆเคล็ดลับตัวที่2นะก็คือเวลาที่เราไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขเนี่ยเราต้องรู้ด้วยใจที่มีความสุขด้วย อย่างบางคนเนี่ยสังเกตแล้วว่าเราทําอาณาปานสติเราหายใจเอาหายใจเข้าแล้วมีความสุขเนี่ยแต่ว่าเวลาไปรู้ลมหายใจนะเอาใจที่เครียดเครียดไปรู้เกือบร้อยละร้อยของนักปฏิบัตินะที่หลวงพ่อเห็นนะเกือบร้อยละร้อยเลยพอบทจะให้ปฏิบัติเนี่ยจะทําใจให้ขุ่มขุมให้เครียดเครียดเนี่ยต้องเริ่มนี้ก่อนเลยเอาลงมือปฏิบัติสิต้องขยับตั้งท่าก่อนอยังก็ว่าตะกียไม่ได้นั่งอยู่ใช่ไหม จะต้องนั่งซะ ก, ก่อนความจริงนั่งอยู่แล้วตอนนี้นั่งอยู่แล้วไม่ใด้ไม่ใช่ใชเอ้าพวกเราปฏิบัติต้องตั้งท่ามา ป, ปรับร่างกายเรียบร้อยก็ทำใจให้ขลุม่มเนี่ยนะนะทำใจขลุมล่มๆบางคนทำใจให้เคลิมคล้มลนะแล้วคิดว่าจะเอาใจอย่างเนี้ยไปรู้อารมณ์ไปรู้ลมหายใจไปรู้อะไรระวังว่าจะสงบไม่สงบหรอกใจที่จะสงบได้ต้องมีความสุข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 คิดถึงสมเด็จพระเทพเนี่ยคนส่วนใหญ่จะสบายใจรู้สึกไหมท่านไปเดินขางถนนเราเห็นเราก็มีความสุขแล้วนะ อ, อย่างคนอื่นไปเดินข้างถนนนะเห็นก็เฉยๆเนะี่ยท่านขึ้นรถไฟฟ้าคนเห็นก็มีความสุขแล้วคนมีบุญอ่นะะเนี่ยเรานึกถึงคนที่เขาดีเขามีความสุขนะใจเราก็สบายไปด้วยอันนี้เขาเรียกว่าเทวตารู้สตินะเราลึกถึงเทวดาเทวด า, เทวดาเดินดินก็มีนะเทวดาที่ อยู่บนสวรรค์เราระลึกไม่ถูกเลยเพราะเราไม่เคยเห็นเราก็นึกถึงคนที่ดีๆบางคนก็คิดถึงทานที่ได้ทําแล้วเราเคยบริจาคโ oh ลหิตอะไรนะได้ตอนนี้ได้30ครั้งแล้วอะไรเงี้ยคิดถึงให้มาแนละ้วมันอิมโมอิมใจอย่างเงี้ยสมาธิมันเกิดหรือคิดถึงศีลตั้งใจรักษาศีลพรรษานี้จะไม่กินเหล้าเนี่ยรักษามันได้2เดือนแล้วไม่ได้กินเหล้านะพอนึกถึงอย่างเนี้ยใจมันอิมโมอิมใจนะสมาธิมันเกิดเลย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 หลงไปคิดเรื่องชั่วก็หลงนี่คนส่วนใหญ่เนี่ยใจไม่หลงดีก็หลงชั่วคนที่ไม่หลงเนี่ยแทบไม่มีเลยเพั้นพระอริยะบุคคลถึงหายากเราจะมาฝึกใจของเรานะเปลี่ยนจากผู้หลงผู้คิดผู้นึ่งผู้หลงผู้แต่งให้มันมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานวิตริธรรมทํำยังไงวิตริธรรมเนี่ยเราก็ใช้กรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างแต่เดิมเราเคยหายใจแล้วมีความสุขนะเราน้อมใจไปรู้ลมาหายใจแล้วมีความสุขเราปรับสักนิดหนึ่ง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 เราดูซิมีกี่แชทอยากคิดเอาดูของจริงสังเกตไหมตอนที่เราตั้งใจดูเนี่ยใจเราอยู่ที่พระถูกไหมเนี่ยใจเราหนีไปอยู่ที่พระใจเนี่ยนั้นหนีทั้งวันเลยนะใจเนี่ยหนีเก่งที่สุดเลยเดี๋ยวก็หนีไปดูเดี๋ยวก็หนีไปฟังอย่างนี้ไปดูเนี่ยไปดูพระพุทธรูปใจพี่อยู่ที่พระหรือขับรถมานะเห็นรถเขาชนกันใจตั้งใจไปดูครับ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 ไอ้คนวงในกำลังเมาหมาดอยู่ดูไม่ออกหรอกว่าควรจะแก้ทางมวยยังไงไอ้คนวงนอกดูง่ายหรือมันแต่เราทำงานใครที่ทำงานที่ในบริษัทใหญ่ๆหรือในองค์กรใหญ่ๆนะทีเราต้องจ้าง a d v ดไวเซอร์เอ็เซอร์พวกที่ปรึกษานะค่าจ้างมันแพงนะเป็นร้อยๆ้อยล้านเป็นพันล้านก็มีนะแล้วแต่โปรเจกต์ใหญ่ขนาด ไ, ไ, ไ, ไหนไอ้พวกนี้มันเก่งกว่าเราหรือเปล่ามันไม่ได้เก่งกว่าเราแต่มันเป็นคนนอก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 ให้ทําหัดดูนะยิ้มหวานอย่าลืมนะหลักสูตรหลวงพ่อเริ่มจากยิ้มหวานหวานยิ้มให้ใจมีความสุขอย่ายิ้มไปตื่นเต้นไปพอเราจะฝึกแล้วยิ้มยิมยิ้มนะอย่างนี้ไม่ได้เรื่องหรอกเนี่ย่อกี้เห็นไหมตัวอะไรหัวเราะเนี่ยใช้ใจที่ธรรมดานะตลองยิ้มซิยิ้มหวานหวานรู้สึกไหมร่างกายมันยิ้มลองพยักหน้าซิรู้สึกไหมร่างกายมันพยักหน้าแค่รู้สึกเอง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 ไม่ต้องอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่เอาเลยนะอย่างเนี้ยจิตผิดธรรมชาติจิตอย่างเนี้มิคนจริตแล้วจิตฟั่นเฟือนนะจิตตัวนี้ยกําลังหัวเราะเนี่ยรู้สึกไหม <_ S 1> เห็นร่างกายหัวเราะไหมะเห็นจิตใจผ่อนคลายไหมเนี่ยดูง่ายๆอย่างนี้เองเห็นร่างกายมันทํางานไปเห็นจิตใจมันทํางานไปอย่างเลยแล้วเมื่อกี้เราหัวเราะโดยไม่ได้เจตนาหลวงพ่อไม่ได้สั่งให้หัวเราะใช่ไหมมันหัวเราะเองเนี่ยใจมันมีความสุขมันหัวเราะมันขาขึ้นมา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 ความสุขมาแล้วก็ไปความทุกมาแล้วก็ไปพวกเราแต่ละคนเคยมีความทุกไหมลองนึกซีเรื่องอะไรที่ทุกที่สุดในชีวิตเราลองนึกดูซีแล้วรู้สึกไหมว่ามันก็ไปเหมือนกันบางคนโอกหักนะอกหักนี่มีความทุกเลยชาตินี้นะโลกจะต้องมืดมนตลอดชาติเลยโนะอกหักครั้งที่หนึ่งโลกต้องมืดมนตลอดชาติเลยมืดไปไม่ถึงปีก็หายนะหายไปพออกหักครั้งที่สองมืดไปสามเดือนแล้วหาย ครั้งที่สามเดือนเดียวหายมาหลายๆครั้งเข้าอกหักเช้าเย็นก็หายแล้วเ <c oughs> นื้อความทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะความทุกข์ก็ไม่เที่ยงความสุข ก, ก็ไม่เที่ยงของง่ายๆแค่เนี้ยทำไมไม่ดูหลวงปู่ดุลเคยสอนหลวงพ่อนะว่าการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วตอไปนี้อ่านจิตใจของตนเอง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 นั่งอยู่แล้วขันใช่ไหมขันเราก็เก่าเก่าแล้วก็หายทุกข์นี่นั่งอยู่ขันให้มาเนี่ยก่อนจะเก่านะรู้ซะก่อนว่าขันเราจะเห็นเออร่างกายมันทุกข์แล้วนะแล้วจะเก่าก็ไม่ว่านั่งอยู่เห็นร่างกายมันเมื่อยรู้ซะก่อนว่าร่างกายมันเมื่อยแล้วค่อยๆขยับก็ค่อยจะค่อยๆเห็นไปฝึกอย่างนี้จะค่อยๆเห็นนะว่าร่างกายนี้มีความทุ้งบิบคั้นอยู่ตลอดเวลาหิวก็ทุกข์นะอิ่มก็ทุกข์นะง่วงก็ทุกข์นะอะไรๆทุกข์ทั้งวันเลย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 เราเราคิดอยู่ใช่ไหมว่าพ่อแม่ควรจะตายก่อนเราใช่ไหมพอพ่อแม่ตายเนี่ยเราทุกข์ไม่มากแต่ถ้าลูกเราตายเนี่ยเราทุกข์เยอะนะเพราะเราไม่เคยคิดว่าลูกควรจะตายก่อนเราเนี่ยใจมันไม่เคยยอมรับความจริงถ้าใจมันรู้ความจริงว่าทุกอย่างมันของโชคเราวไม่แน่หรอกว่าเด็กหรือผู้ใหญ่จะตายเนี่ยไม่ว่าใครจะตายนะใจมันจะไม่หวั่นไหวมากหวั่นไหวก็นิดๆหน่อยๆนะในขั้นพระโสดาสัพทาฐฐคาอย่างล้อมผมน้องให้ได้แต่ล้องไม่นานหรอกเดี๋ยวก็หาย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 หมดความสงสัยในภารตะนัตัยเลยนะไม่ผิดศีลผิดธรรมอีกต่อไปชีวิตจิตใจฉันมีความสุขมากนะไม่ใช่ทําเพื่อคนอื่นหรอกตัวเองเ่ะจะมีความสุขมหาศาลเลยไปฝึกเอาถือศีลห้าไว้ก็พอละไม่ต้องกระแดะถือศีลแปดเลยหรอกนะเอาศีลห้าก็พอแล้วอา้าใครจะส่งกันบ้างคว้ามากราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ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 มันก็เลยรักษาไว้หน่อยหนึ่งรู้สึกไหมนั่งตรงนิดนึงค่ะเออนั่นน่ะนั่นน่ะยอมรับสารภาพะค่ะแน่นนิดนึงก็แสดงว่าบังคับนิดนึงค่ะซึ่งเครียดไปหน่อยให้รู้ทัน้ค่ะถ้ารู้เราใช้ได้นะ้ค่ะอไม่ใช่ว่าต้องดีถึงจะถูกเจค่ะเป็นยังไงเรารู้ว่าเป็นอย่างนั้นอันนั้นแหละถูกเจ้าค่ะดีขึ้นแล้วล่ะใจมันคลายออกแล้วรู้สึกไหมรู้สึกเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะเราต้องระวังอันนึงพอใจคลายออกเนี่ยจะหลงง่าย อ๋อง oh, okay. ั้นเราต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่อยู่เล่นๆอยู่กับพุทธโธอยู่เราหายใจหรืออะไรก็ได้นะ <Okay. S 2> แล้วใจหนีไปเรารู้แต่อย่าไปปรกคองให้นิ่ง <Okay. S 2> เอาแค่ว่าหนีเรารู้หนีเรารู้ไปสบายๆ ย, <Okay. S 2> ยิ้มหวานยิ้มหวานสิ <c oughs> แล้เนี่ยต้องใช้ใจแบบตอนนี้นะะ <Okay. S 2> ใจธรรมดาอย่างเนี้ย <Okay. S 2> เห็นไหมตัวเนี้ไปยักหน้าตัวนี้ไม่ใช่เราละค่ะ <Okay. S 2> อย่างเนี้ม่นจะเห็นทันทีเลยไม่ใช่เราห ล, <Okay. S 2> ลงแล้วอยากพูดรู้สึกไหม รู้สึกเจ้าค่ะเออนี่ยแหละมันดันขึ้นมากลางหน้าอกมันอยากพูดช่้นมาให้รู้ทันเจ้าค่ะนั่ยแหละฝึกอย่างนั้นแหละใช้ได้ดีเจ้าค่ะไปทําอีกอไปขอบคุณเจ้าค่ะหะลงแล้วรู้สึกไหมก้มหน้าไปปุ๊บจิตไหลลงไปเลยนะให้รู้ทันว่าจิตไหลถ า, ามาามาพการหลวงพ่อค่ะเออเพิ่งจะมาดูวิดีโอของหลวงพ่อทางเมดนะคะแต่ก็ใช้ได้นะ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 ดีก็ชั่วคราวชัวช่ว่วคราวทุกอย่างเกิดดับอันนี้เป็นธรรมะในขั้นเจริญปัญญานะแต่ในขั้นจริยธรรมอะ่ะชั่วต้องไม่ทําดีต้องทำคนละเรื่องกันนะธรรมะมีหลายระดับสังเกตเปล่าว่าโดยธรรมชาติเราฟุ้งซ่านเก่งรู้ไหมใช่เพราะงั้นจิตต้องมีเครื่องอยู่นะอยู่กับพุโทโธอยู่ลมหายใจอยู่เล่นๆอยู่ด้วยใจที่สบายอย่างนะี้ถึงจะใช้ได้ส่วนมนต์นั่นแหละแต่ไม่ใช่ส่วนมนต์ให้จิตสงบเป็นส่วนมนต์แล้วรู้ทันจิตไป ส่วนมรลจิตมีความสุขรู้ส่วนมรลจิตเป็นทุกข์ก็รู้ส่วนมรลจิตฟุ้สซ่านก็รู้จิตสงบก็รู้ะแต่ธรรมะถูกทางนะถูกไม่รู้เรื่องว่าถูกไม่แน่ใจ<笑><笑>บางทีมีความรู้สึกว่ามนึนตึ๊บเลยลพยายามเยอะไปเพราะว่าเป็นโรคคิดมากนองฉันมนึนอ้าดับไปกราบนรัมส ก, การหลวงพ่อคะ่ะส่งการบ้านในรอบหนึ่งปีคะ่ะ อ่ที่ผ่านมาได้เจริญสติในชีวิตประจําวันแล้วก็ปฏิบัติในรูปแบบทุกวันค่ะโดยการรู้ลมหายใจค่ะก็รู้สึกว่าฝึกเราเครียดไหมฝึกเราไม่ไม่เครียดค่ะแล้วไม่เครียดก็ดีนะฝึกแล้วอึดอาดเครียดเครียดแสดงว่าเราโลภเราอยากดีเราไปบังคับก็มีโลภผ่านลงนั่นหลวงพ่อก็บางนั้นแหละนะให้รู้ทันตัวนี้นะรู้ทันใจมันอยากดีพออยากดีปุ๊บเราไปลงมือปฏิบัติเนี่ย มันจะไปบังคับตัวเองนะงั้นเวลาคนที่ทำผิดมีสองงานอันห น, นึ่งนะย่อหย่อนไปอันหึ่งตึงเครียดไปย่อหย่อนเนี่ยเป็นทางไปของพวกพวกไม่ดนะีพวกตึงไปเนี่ยเป็นทางไปของพวกดีพวกอยากดีพวกรักดนะีอยากเป็นคนดีอยากได้มากผลอยากพ้นทุกขนะ์อะไรเนี่ยอยากทางดีมันจะมาบังคับตัวเองบังคับตัวเองลำใจมันจะแน่น เพรต้องไม่ให้ใจแน่นนะอให้รู้ทันว่ามันยังบังคับอยู่ค่ะดีขึ้นมากแล้วล่ะหนูกับเรียนหลวงพ่อค่ะว่าหนูทําสมาธิไม่ค่อยได้ค่ะหลวงพ่อไม่เป็นไรนะสมาธไม่จําเป็นถึงขนาดต้องเข้าชาญหรอกนะให้จิตมีเครื่องอยู่อะไรไว้สักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปมันก็ได้สมาธิแล้วล่ะค่ะแล้วก็ในชีวิตประจําวันบางทีลมหายใจชอบหายค่ะบอกว่าหนูลืมลมหายใจค่ะลืมแล้วลืมลมหายใจแล้วจิต ไปหาอันอื่นป่ะหลงไปที่อื่นป่ ะ, ะหาแบบพยายามหาแบบถ้าบางทีไปคว้าพุทโธมาก่อนเนี่ยค่ะให้รู้ว่าจิตเที่ยวหาค่ ะ, ะให้รู้ทันจิตว่าจิตเที่ยวหาอยู่คแค่นั้นก็รู้ละะเวลาเราพุทธโธหรือเราหายใจนะอย่างบางทีหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอเงี้ยพอจิตสงบนะพุทธโธหายไปเหลือแต่หายใจพอสงบมากขึ้นอารมณ์หายใจหายไปนะกลายเป็นแสงสว่างรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ สงบมากกว่านั้นน้ําทิ้งแสงน้ําทวนเข้ามาหาจิตอีกเหลือแต่ความรู้สึกตัวอยู่ทิ้งทุกอย่างหมดเลยร่างกายก็หายไปอันนั้นเป็นเรื่องของสมาธิงั้นถ้าแต่ถ้าพุโทโธพุโทโธหรือหายใจแล้วพุโทโธหายไปลมหายใจหายไปแต่จิตนี้ไปคิดรื่ออันนี้เรียกว่าฟุงานะฟ้งซ่านนะฟุ้งซ่านเยอะค่ะอย่างนั้นเป็นฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านเราก็ไม่ว่ามันเรารู้ทันว่าฟุงา้งซ่านแล้วกลับมาอยู่กับลมกลับมาอยู่กับพุโทโธต่อไปนะะค่ ถ้าเรามาละเอียดขึ้นไปก็อยู่กับพุทโธไปก็ได้ค่ะเอรู้มาถูกทางแล้วใช่ไหมครหลวงพ่อใช่ดีแล้วก็หลวงพ่อมีอะไรแนะนํำอย่าโลภไปดูรู้ทันที่โลภนะค่ะเพิ่งมัน่งค่รู้ตัวเหมือนกันครับรู้รู้ไหมว่าโลภเออรู้น้อยค่ะหลวงพ่อหรือว่ายังย่อหย่อนไปเยอะค่ะเออนั่นแหละมันจะยิ่งลุยแหลกค่ะอคิดว่าย่อหย่อนแล้วใจเป็นโลภมันจะเอาให้ได้ กลัวว่าจะไม่บรรลุมรคผลิ้งจะรีบเอาเร็วๆจริงเลยค่ะหลวงพ่อจริงไม่หลอกหรอกกล่าวขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะค่ะนมรดกการหลวงพ่อค่ะอืมตื่นเต้นตื่นเต้นดีครับรู้ว่าตื่นเต้นใช้ได้อืก็ปฏิบัติมาตามเชื่อหลวงพ่อทุกอย่างค่ะก็รู้สึกว่าตัวเองย่างได้แยกขันได้แล้วก็เจริญปัญญาได้ค่ะใช่เป็นข่าวข่าวเป็นข่าวข่าวค่ะ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 ก็พอเห็นทุกข์ก็จะเห็นจิตที่แบบบินลนอยากจะขยับมีความอยากที่จะขยับพอขยับแล้วก็รู้สึกเห็นจิตที่ผ่อนคลายถ้าเป็นทางร่างกายนะก็ขยับไปค่อย่างเรานั่งอยู่มันเมื่อยะราเห็นจิตเป็นทุกข์จิตอยากขยับรู้ซะก่อนแล้วก็ขยับร่างกายค่ะขยับแล้วจิตมีความสุขรู้ว่าจิตมีความสุขเห็นไหมจิตไม่เที่ยงค่ะก็หลวงพ่อมีอะไรใช้ฝึกใช้ โอใช้ได้นะพอวางไม่ปุ๊บใช้ได้เลยถือไม้อยู่ไม้ตัวนี้มีอาถรรพ์นะใครจับแล้วตัวแข็งหมดเลยครับในพาการครับผมนำการบ้านในรอบสองปีมาถวายครับท่านมเมื่อสองปีที่แล้วส่งการบ้านที่สระลุงชิมหลวงพอบอกว่าผมเป็นคนมีโทสะมีกิเลสที่ต้องดูผมกลับมาดูต่อ ผมเห็นเป็นกายมันทํางานได้เองมันพูดได้มันสื่อสารได้ทุกวันคือการทดสอบกิเลส ข, ของตัวเองอว่าจะอยู่ได้ดับได้มผมพบว่าการให้อภัยมันทาให้กิเลส ข, ของผมโทสะของผมดับลงได้ครับเออนะอันนั้นมันเป็นการคิดบวกบเป็นการทําตรงข้ามอย่างจิตมันคิดโทสะนะมันเป็นคิดลบครับเรามาคิดจเจริญเมตตาคิดอภัยนะ ค, คิดบวกจิตจะได้อะไรได้ความสุขความสงบนะบยังไม่ใช่วิปัสสนานะถ้าอย่างนั้น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 ที่หนูห้ไปดูชอบไม่ตัวไม่ชอบอ่ะเห็นไหมเห็นค่ะเออถ้าเห็นแล้วมันจะเป็นกลางนะสบายขึ้นรู้สึกไหมค่ะะไปดูบ่อยๆดูอีกเพราะว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนั้นเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบนะให้รู้ทันรู้ทันจิตแล้วเป็นกลางก็จะเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปสิ่งที่เราชอบมันก็ไปสิ่งที่เกลียดมันก็ไปทุกอย่างมันเท่าเทียมกันพอเราเห็นทุกอย่างเท่าเทียมกันจิตจะไม่ก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลง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 ถ้าครับใจก็ไม่ดีอีกะให้รู้ทันลงไปไม่ยอมมีอะไรสีแล้วเป็นธรรมยิง่งตอกลับไปมาสการหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อเคยทักหนูว่าจิตกระจายไปอยู่ข้างนอกนอกพอกลับไปก็ออกหเหมือนกับตอนนั้นก็รู้ว่าค่ะว่าเหมือนไปเกาะความสว่า ง, างใช่ไปหลงความสว่างแล้วพอกลับไปมันก็เหมือนตั้งมั่งได้ พักหนึ่งหพังจากนั้นมันก็เหมือนจิตมันก็ไม่ค่อยตั้งมั่นอีกเลยไม่ตั้งมั่นไม่ว่าไม่ตั้งมั่นรู้ว่าไม่ตั้งมั่นนะแต่เราก็ทำํำทำกรรมฐานของเราไปตามปกติตั้งมั่นก็ตั้งไม่ตั้ ง, งก็ละช่างแต่ว่าเราทํากรรมฐานเช่นเราอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุโทโธเนี้จิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้สงบก็ได้ไม่สงบก็ช่างนะอย่าฟุ้งซ่านก็ไม่ว่ารู้สบายสบายถ้าเมื่อไหรใจสบายใจก็จะมีความตั้งมั่นขึ้นมาได้นะสงบขึ้นมาได้ หนูรู้สึกอยู่ที่กายเคลื่อนไหวอย่างนี้ได้ไหมคะรู้สึกอย่างตอนนี้ผิดนะะตอนตื่นตื่นใช่ไหมอย่างนี้รู้สึกเอออย่างนี้ถูกอย่างนี้ใช่ไหมแต่อย่าไปทําขึ้นมานะที่ถูกก็ไม่ต้องทาหรอกให้รู้ตรงที่ผิดแล้วมันถูกเองค่ะก็คือเวลาใจผิดแล้วรู้สึกไหมอเนนี้ใจมันขยับเงี้ยมันผิดละมันแข็งแข็งขึ้นมาอ๋อเวลาเราไปจงใจใช่ไหมจงใจจงใจนั่นเป็นโลภเจตนานะ โลภะเจตนาเกิดแลจิตเกิดการกระทำกรรมกรรมอะไรกรรมฐานกรรมฐานปลอมๆนะคราวเนี้ยเป็นนักปฏิบัติจอมปลอมละเราสร้างขึ้นมาทั้งนั้นไม่ใช่ของจริงค <c oughs> งั้นให้รู้ทันตัวโลภะเจตนาตัวจงใจค่ะขอบขอบคุณค่ะ การนมัส ก, การหลวงพ่อคะอ่ะเป็นการส่งกันบ้านครั้งแรกคะ่ะปฏิบัติมาประมาณหกเดือนแล้วก็ปฏิบัติตามรูปแบบทั้งพยายามทั้งเช้าและเย็นคะ่ะแล้วก็พยายามรู้กายรู้ใจในชีวิตประจําวันนะคะก็ช่วงก็มีฟุ้งซ่านขอเวลานอกแป๊บหนึ่งนะคนที่เพิ่งส่งกันบ้านไปอย่าน้อมใจให้ซึมลงไปแบบนั้นไอ้อย่างนี้น้อมลงไปเรื่อยๆนะทําใจให้เราท้อเราถอยลงไปไม่ได้นะใจก็ตื่นขึ้นมา สดชื่นสดชื่นไหมอย่ป็นของหนูอ่าไปค่ ะ, คะก็ยังมีฟงสั้นอยู่ค่อนข้างเยอะค่ะใช้ได้ฟงสัน้นเรารู้ว่าฟงสั้นดีค่ะสังเกตไหมว่ามันฟุ้งได้เองค่ะสังเกตไหมร่างกายไม่ใช่ตัวเราบางครั้งค่ะะเออคอยดูเรื่อยนะดูกายบ่อยๆด้วยค่ะเพราะเรารักกาย่เรารักสวยรักงามมากนะเราดูกายด้วยค่ะแต่จิตอย่างเดียวยังสู้กิเลสยาก แล้วก็รู้ทันจิตอย่างที่หนูรู้เนี่ยถูกแล้วล่ะค่ะกับพอพ่อครูหอวงพ่อค่ะแล้วำมศกาลครับหลวงพอ่อก็ไม่ได้ส่งการบ้านกับหลวงพ่อมาสองปีแล้ว เ, เคราวที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูจิต ท, ที่หลง เ, เป็นการเจริญวิปัสสนาอินูที่เพิ่งส่งเสร็จอะเริ่มบังคับตัวเองไรไหมไม่เอาอย่างนี้ไม่เอานะอย่างนี้เสียเวลาเปล่าเปล่เหนื่อยเปล่าเปล่าเดี๋ยวพาวนาอย่างนี้เครียด เอาของคุณว่าไปครับแล้วก็หลวงพ่อให้ทำมาสอนให้ทําสมถะให้ไปถ้าเวลาเหนื่อยก็ให้ไปพักด้วยกันา อ, อไปจับอยู่ที่จิตนิ่งๆว่างๆไว้อครับมผมก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อบอกก็พยายามเทําตามรูปแบบทุกวันแล้วก็เจอพี่มาลีพี่มาลีก็สอนให้รับมือกับพวกขึ้นภายนอกครับที่มันเข้ามาแล้วก็สอนให้ดูจิตที่อยากปฏิบัตินะครับอืมอมผมก็สอนดี ครับผมก็ปฏิบัติมาก็เห็นผลว่าเออแล้วเราก็ได้รู้ทันจิตที่อยากปฏิบัติมันก็เป็นกลางมากขึ้นนะครับมันก็เหมือนกับมันปฏิบัติได้เนียนเนียนขึ้นครับผมเคลื่อนภายนอกก็ไม่ต้องไปกลัวนะครับผมพลังงานที่เลวอมันก็กระจายอยู่เต็มโลกนะยิงกันไปยิงกันมาคล่อมไปคร่อมมาในขณะที่พลังงานที่ดีก็กระจายเต็มโลกเหมือนกันครับพลังของพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ อย่างครูบาอาจารย์แผ่เมตตาอะไรเนะี่ยมันก็ไปจ่ายเต็มโลกเหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราจะไปจูนเอาตัวไหนเข้าคนส่วนใหญ่ชอบไปจูนของสกปรกนะก็เลยไปดูดเอามานะแล้วกายบ้าแหมถูกพลังไม่ดีทำร้ายทำไมเราไม่จูนพลังที่ดีเรานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงอะไรนะนึกถึงพลังฝ่ายดีอ่ะพลังฝ่ายดีเข้ามาแมทนที่พลังไม่ดีไม่ต้องไปกลัวมันหรอกครับเราไม่ทราบขอคันบ้าดหรือบุห้อะครับ ไปทำอย่างที่เขาสอนนั่นแหละทํอย่างนั้นแหละแต่อย่าเครียดนะครับทําเล่นๆครับครับนะมาจุนการหลวงพ่อให้หลวงพ่อเห็นหน้าหน่อยเคยส่งันบานปีก่อนเราอาจารย์บอกเมื่อก่อนมันฟุ้งซ่านเก่งนะต่นนี้มันคลายออกแล้วเห็นไหมขันมันแยกได้ได้บางครั้งค่ะถูกแล้วล่ะได้ทุกครั้งมันก็เกินไปะกลายเป็นปลอมอีกนะ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 แล้วดับถ้าได้ยินได้ฟังเรื่องที่มันเศร้าโหยทู่จะร้องไห้ทุกครั้งกลัวว่าออจะเป็นอะไรไหมคะร้องไปร้องแล้ก็รู้ว่าโหยทู่นะอย่าปล่อยให้ความโหยทู่ครอบจิตถ้าความโหดหู่มาครอบจิตนั้นดูเข้าไปตรงๆงที่ความโหดหู่เลยเดี๋ยวมันหลุดออกไปอย่าไปปล่อยไว้เดี๋ยวนี้ใส่เสียถ้านี้ใส่เสียตัวนี้นะไม่ดีนะถ้าตายตอนนั้นเนีจยไปอบายเลยใช่ค่ะกลัวตรนี้แหละนั่นแหละน่ากลัวค่ะพักุลจะขาด ข อ, อกราบนพิธ ก, การพระอาจารย์นะคะยอมเป็นมือใหม่หัดปฏิบัติค่ะมือใหม่นะดีหลวงพ่อไม่ชอบมือเก่าขึ้นสนิมแก้ยากก็ได้ฟังซีดีพระอาจารย์มาห้าเดือนเต็มๆนะคะแล <c oughs> ้วก็มีการปฏิบัติในรูปแบบทุกวันสวนมดมนต์แล้วก็ทําทุกวันคงจะออกเป็นแนวสัมปทานนะคะกรรมฐานทุกคืนเนี่ยแต่นี้มันมีสภาวะอยู่อันหนึ่งไงช่วงแรกๆสองสาเดือนแรกที่ทําเนี่ย แล้วพยายามฟัง c ีดีงพ่อหลายมุหลายหลายแผ่นมากมันไม่พบคำตอบคือใช้พุทโธนะครับบริกรรมแล้วก็เมื่อลมหายใจมันค่อย ค, อยคอยละเอียดนะคะเนียนขึ้นเนียนขึ้นจนสุดท้าย เ, ยเหมือนกับลมหายใจไม่มีเนี่ยเมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยเหมือนร่างกายมันมันเหมือนโดนไฟช็อตอ่ะมันสิ่งนี้ตลอดทั้งทั้ง่างเลยเลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรเวลาบางทีมันเป็นอาการของปีติเกิดขึ้นก็มีนะ สะเทือนขึ้นมาให้เรากลับมาที่จิตจิตตกใจให้รู้ว่าตกใจกลับเข้ามาไม่ว่านิมิตใดๆเกิดขึ้นเน่ถ้าเราย้อนกลับเข้าที่จิตหายหมดอะค่ะตอนนี้ตอนนี้เดือนที่สี่ที่ห้านี่ก็ก็น้อยลงไปนะคะแต่เมื่อก่อนะถีมากแล้วแต่รู้สึก ม, มันก็มีวิบากน ะ, ะมีมีกรรมเศษกรรมเก่าๆเวลาจิตเราจะรวม ม, มันกามากวนก็มีเหมือนกัน แล้วก็อันหนึ่งที่รู้สึกว่าสี่ห้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนชีวิตมันมันเปลี่ยนไปแบบไม่กลับไปเหมือนเดิมถูกแล้วละ่ะถ้าภาวนาไม่เป็นนะกี่ชาติก็เหมือนเดิมแล้วก็รู้สึกว่าอารมณ์มันมีน้อยลงไปเรื่อยๆอะค่ะอารมณ์ไม่น้อยหรออารมณ์แปลว่าสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามา ร, รู้ทั้งวันเหมือนเดิมแตเ่เราอินกับมันน้อยลงใช่ <c oughs> เหมือนเหมือนว่าอาการอย่างสมุทโทศกอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ไม่ไม่ <c oughs>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 อ่ะต่อไปนมาสตาหลวงพ่อค่ะเอะคือจริงๆไม่ได้กะจะมาวันนี้อ่ะค่ะแต่ว่าพอดีอยู่ๆใจก็อยากจะมาอมออเคือจริงๆแล้วมันเหมือนจิตเขาจะชอบออกไปแส่สายออกไปรับรับอะไรของคนอื่นมาแล้วก็ปล่อยม้เป็นอแล้วก็ทุกครั้งที่รับมามันก็จะเห็นแต่ความทุกข์แล้วก็เห็นใจข้างในเนี่ยก็เพื่อมหวนไหวแบบอทุกข์ แต่พอเราไปดูที่ตัวกระเพื่อมเนี่ย ม, มันก็คลายลงหายลงแต่พอดูดูไปความอยากตัณหามันก็ครอบอทำให้พอเห็นกระเพื่อมเนี่ยนะคะก็กับตัวกระเพื่อมกลับเป็นถุกแทนเสร็จแล้วบางทีก็กลับเป็นละมีคราวที่แล้วส่งกันบ้านหลวงพ่อเมื่ออาทิตย์ก่อนหลวงพ่อบอกให้ดูจิตที่เพ่ง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 ก็เช่นการพอดูครั้งแรกจิตกระเพื่มก็หายไปแต่ความอยากเข้ามาปุ๊บกระเพื่มก็กลายเป็นทุกข์เหมือนเดิมอื ม, มันเหมือนไม่เราออกไปยุ่งเขาก็เข้ามายุ่งกับเราแล้วใจเรามาันกระเพื่อมทุกครั้งเราห้ามมันไม่ได้ใชไหมใช่นะหลวงพ่อเมื่อก่านก็จิต่อยมากนะคนคิดถึงเราก็รู้นะบางคนไปทําบุญมาแล้วก็ไปกวดน้ําแผ่ส่วนบุญมาให้เราแล้ไม่ใช่ผีสัหน่อยอ๋อ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 ไปแล้วไปเจอเขาเรียกว่าอะไรคะเหมือนแท่นเหรียญ เ, เราพลังงานทั้งหมดเนี่ยคือออกมาจากแท่นเหรียญนั่นแหะจิตปรุงสร้างจิตปรุงขึ้นทั้งหมดเลยไม่มีเราแท่นเท่นอะไรนั่นเลยจิตเราสร้างขึ้นมาพอเราหลงเชื่อว่าจริงแล้วก็จริงขึ้นมาถ้าเราไม่เชื่ อ, อเรารู้ว่านี่เหมือนฝันอยู่ไม่มีความจริงหรอกอยู่ที่ใจนะอย่าไปเชื่อมัน เ, เราเชื่อของจริงร่างกายนี้ของจริงรู้สึกไป ความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วเนี่ยของจริงรู้สึกไปจิตเขาไม่ยอมดูร่างกายเลยอะค่ะเออไม่ยอมดูก็พามันดูเห็นไหมร่างกายไปยักหน้าเนี่ยดูบ่อยๆนะงั้นมันเตลิดเข้าไปในโลกภายในแ ล, แล้วถูกความปรุงแต่งหลอกไม่มีใครมาทำอะไรเราหรอกอืมคุณขาแมเดี๋ยวขอเชิญพวกเรากล่าวคำถวายทานร่วมกันนะครับข้าพเจ้าทั้งหลาย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 ตราบสิ้นกาลนานเธ อ, อยถ า, าวะริวหาปูราปริปูเรนตีสาครังเอวเมีวอิโตทินังเปตาณังอุปกัปปติอิจิตังปจิตังตุมหังขิ ป, ปะเมวาสมิฉิตุสัเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนารโสยถาเมณีโชติรโสยถ า, าสัพพีติโยวิวัตฉนตุสัพพะโรโ ค, รโครวินาสตุ มาเตประวัติวันตรารโยสุขีที่คาโยโกภาวะอภิวาฒนาศีลสนิจังวุทธาปัจญญิโนจตารโอธรรมาวทันตีอายุอโนสุขขังพลังสาธุหลูงพ่ออนุโมทนากับทางโรงแรมนะงแรมจัดเขาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรทาเพื่อสังคมเพื่อศา ส, สนาก็ขออนุโมทนาทางโรงแรมแับคนต้นคิดนะ ให้คนมานิมนต์